เดินทางสายกลางคือสงบวางสุขวางทุกข์ดังนั้นถ้าจะบวชปฏิบัติต้องเดินทางสายกลางนี้เราจะไม่เอาใจใส่ความสุขความทุกข์จะวางมันแต่รู้สึกว่ามันเตะเราเดี๋ยวไอ้นี่เตะทางนี้ไอ้นั่นเตะทางนั้นเหมือนกับลูกโป่งลางคือกระดิ่งที่ทําด้วยไมย้ มันฟัดเราทั้งสองข้างเข้าใส่กันมีสองอย่างนี่แหละเตะเราอยู่ดังนั้นพระองค์เทพครั้งแรกจึงทรงยกทางที่สุดทั้งสองขึ้นแสดงเพราะมันติดอยู่นี่ความอยากได้สุขเตะทางนี้บ้างความทุกข์ไม่พอใจเตะทางโน้นบ้างสองอย่างเท่านั้นเล่นงานเราตลอดการการเดินทางสายกลาง เราจะวางสุขเราจะวางทุกข์สัมมาปฏิปทาต้องเดินสายกลางเมื่อความอยากได้สุขมากระทบถ้าไม่ได้สุขมันก็ทุกข์เท่านั้นจะเดินกลางๆงตามทางพระพุทธเจ้าเดินนั้นลําบากมันมีสองอย่างคือดีกับร้ายเท่านั้นถ้าไปเชื่อพวกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโกรธขึ้นมาก็คว้าหาท่นไม้เลยไม่ต้องอดทอน ถ้าดีก็รูปตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้านั่นใช่แล้วทางสองข้างมันไม่ไปกลางๆสักทีพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทำอย่างนั้นท่านให้ค่อยๆวางมันไปทางสายนี้คือสัมมาปฏิปทาทางเดินออกจากภพจากชาติทางไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่ว มนุษย์ทั้งหลายที่ต้องการพบถ้าตกลงมาก็ถึงสุขนี่มันมองไม่เห็นตรงกลางผ่านเลยลงมานี่ถ้าไม่ได้ตามความพอใจก็เลยมานี่ข้ามตรงกลางไปเรื่อยที่พระอยู่เรามองไม่เห็นสักทีวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แหละไม่อยู่ตรงที่ไม่มีพบไม่มีชาติเราไม่ชอบจึงไม่อยู่บางทีเลยลงมาอยู่ข้างล่างถูกสุ น, นัข ก, กัดปีนขึ้นไปข้างบน ก็ถูกยีแรงอีกาปากเหล็กมาจิกระบานก็เลยตกนรกอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งเท่านั้นเนี่ยแหละพบอันที่ว่าไม่มีพบไม่มีชาติมนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นจิตมนุษย์มองไม่เห็นจึงข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างนั้นสัมมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าเดินพ้นพบพ้นชาติเป็นอัพยากตาธรรม จิตนี้วางนี่เป็นทางของสมณะถ้าใครไม่เดินเกิดเป็นสมณะไม่ได้ความสงบเกิดไม่ได้ทำไมจึงสงบไม่ได้เพราะมันเป็นภพเป็นชาติเกิดตายอยู่นั่นเองเด็ดทางนี้ไม่เกิดไม่ตายไม่ต่ำไม่สูงไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วกับใครทางนี้เป็นทางตรงเป็นทางสงบระงับ สงบจากความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจนี่คือลักษณะปฏิบัติถ้าใจเราเป็นอย่างนี้แล้วหยุดได้หยุดถามได้แล้วไม่ต้องไปถามใครนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัจจัตังเวทิตาโพวินโยอิไม่ต้องถามใครรู้เฉพาะตนแน่นอนอย่างนั้นถูกตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ อตาตมาเล่าประวัติย่อๆที่เคยทำเคยปฏิบัติมาไม่ได้รู้มากไม่ได้เรียนมากเรียนจากจิตใจตนเองตามธรรมชาตินี้โดยทดลองทำดูเมื่อมันชอบขึ้นมาก็ไปตามมันดูมันจะพาไปไหนมีแต่มันลากเราไปหาความทุกข์โน่นเราปฏิบัติ ด, ดูตัวเองจึงค่อยรู้จักค่อยรู้ขึ้นเห็นขึ้นไปเองให้เราพากันตั้งอกตั้งใจทา